ในจะต่อวันนี้พูดถึงเรื่องของสภาสะวะสังวรารสูตรหรือสภาสะวัสูตรนีก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอาสวะที่พูดไปแล้วว่าในบรรดาอาสวะทั้งหลายก็เป็นบาปอากุศ ล, ลธรรมมีกรารมาสวะอาสวะที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเร่าร้อนในกรารมเป็นต้นเหล่านี้ ภาวะความติดใจยินดีปรารถนาไปพบว่าเราจะได้สมบัติที่ดีในเป็นสุขสขติพบเป็นต้นทิศฐาสวะก็คือความยึดถือในความเห็นผิดอวิชชาสวะก็อาสวะเป็นความไม่รู้ไอตรงนี้สำคัญที่สุดก็คือ อวิชาวสะวะนี่แหละเป็นความมืดบอดก็ไล่ไปตามลำดับในเรื่องของการละอาสะวะเริ่มตั้งแต่อาสะวะที่พึงละได้โดยการเห็นโดยการเห็นอาสะวะที่พึงละได้โดยการเห็นในที่นั้นก็หมายถึงละได้โดยโสดาปฏิมักในสูงสุดหมายถึงอย่างนั้นเลยอาสะวะที่พึงละได้โดยโสดาปฏิมั อาสวะที่พึงละได้โดยการสังวรคือสติสังวรที่เกิดขึ้นในการระลึกปิดบาปประการที่สก็อาสวะที่พึงละได้โดยการใช้สอยก็คือปัญญาที่พิจารณาประโยชน์ของการใช้สอยจีวรเป็นต้นประการที่4ก็อาสวะที่พึงละได้โดยการอดกัน้นอดกั้นตอนนี้เป็นชื่อของอาโทสเจตสิกคือกุศลขัน ที่มีความไม่โกรธนี่นแหละเป็นประธานดําเนินไปด้วยความอดกลั้นต่อความหนาวความร้อนเป็นต้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ความหนาวแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยหรือตลอดถึงมากเป็นต้นเมื่อเจอความหนาวเจอความร้อนทั้งหลายเป็นต้นไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ถูกความหนาว จัดสัมผัสก็ไม่สะทกสัทสานเนี่ยใส่ใจเฉพาะกรรมฐานอย่างเดียวนี่ท่านก็ยกตัวอย่างด้ยนะได้กล่าวไปแล้วครั้งที่ก่อนแต่ว่านี้ถ้ายกตัวอย่างขึ้นมาในคำภีที่ท่านยกตัวอย่างความอดกลั้นความอดทนท่านพูดถึงพระโลมาสนาเขาเรียกว่าพระโลมาสนาคาเทละคาพระเทระอยู่ในเรือนบําเพญเพียนในถ้ำ ปียังคู่น้าเจติยาบรรพศท่านพิจารณารการตริญาณโลกที่ตั้งอยู่ในระหว่างเทยิบในสมัยอีมาตกไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานให้เวลาผ่านไปในเวลาใกล้แจ้งแม้ในฤดูร้อนเป็นต้นท่านก็ไม่ยอมทิ้งกรรมฐานเขาบอกว่าภิกษุใดยอมอดกลั้นหรือว่ายอมอดกลั้นต่อความร้อนล้นล้ว น, นอันมีประมาณยิ่ง ย่งได้ภิกษุนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นผู้อดทนต่อความร้อนได้เหมือนพระเถรนะนั้นตรงนี้ก็ยกตัวอย่างนะบอกว่าให้พิจารณาว่าเวลาเจอความร้อนเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวว่าให้พิจารณาว่าเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยประสบความร้อนมาอย่างมากมายเคยลงเอาเวจีมาแล้วเนี่ยมาพิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ยอมทิ้งกรรมฐาน งนั้นท่านระดมความเพียรกันเลยทีเดียวค ก, ก็คือไม่หวั่นไหวไม่รัดทิ้งกรรมฐานหรือบางคราวเนี่ยที่บอกว่าโลกันตริยานโรคนี่หนาวมากเวลาเจอความหนาวก็ไม่ทิ้งกรรมฐานเหมือนกันพิจารณาว่าเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยเราเคยประสบความหนาวเด็บมามากมายแล้ว เคยตกเอาโลการตริญาณนรกมาแล้วเป็นต้นก็ไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานไม่ยอมละทิ้งพระรานาตรายเป็นต้นหเหล่านี้ไม่หวั่นไหวที่สุดจริงๆจะทําที่สุดถึงทุกข์ได้เจอความหิวก็พิจารณาถึงความเจ็บปวดของการเปิดเกิดเป็นเปรตที่เราเคยสัมผัสมาในสังสารวัฏเหลือบยุงไร ล, ลมแดดสัตว์เลื้อยคาน มารบกวนก็ไม่ทิ้งกรรมาฐานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างมาเยอะเนี่ยที่สุดจริงๆก็คือไม่ยอมสะระทิ้งกรรมฐานนั่นแหละเวลาเจอเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นเชื่อเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เข้าถึงทุกข์ยังกล้าแข็งนำทุกข์มาให้แล้วทุกขเวทนาจะเจ็บปวดหรือเจ็บร้อนขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ก็ไม่สามารถไปอย่างจิตใจของบุคคลผู้มุ่งมั่นในการที่จะเจริญกรรมฐานนั้นให้ ให้ทิ้งกรรมฐานไปได้เนี่ยที่สุดจริงๆจะประสบความสําเร็จได้ก็คือสอนว่าเมื่อมาเจอปัญหาของชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่ยอมท้อหลักการอย่างนี้เขาเรียกพิจารณาโดยการอดกลั้นก็คือความไม่โกรธนี่แหละเป็นประเด็นที่สําคัญมากไม่ปล่อยให้ความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือไม่ปล่อยให้ความโกรธนั้นมาแทรกเป็นเหตุทําให้ตนเองต้องทิ้งกรรมฐานงี้เป็นต้น มีก็เรียกว่าด้วยความอดทนอดกลั้นต่อเวทนาอันอันมีในร่างกายเป็นทุกข์ก้าแข็งเป็นร้อนก็ไม่น่าไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจถึงแม้ขนาดพลาดชีวิตได้เมื่อเธอนั้นไม่อดกลั้นอยู่อาสะวะความเร่าร้อนก็จะก่อความลําบากก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเธออดกลั้นอยู่ได้ย่อมไม่มีแก่เธออย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าอาสะวะที่พึงรักได้ด้วยความอดกลั้นประการต่อไปก็คืออาสะวะที่พึงรักได้โด ย, า ก, ยดการหลีกเลี่ยงในการหลีกเลี่ยง หรือเว้นนะคือพิกษูตในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วก็หลีกเลี่ยงช้างที่ดุมา้าดุโคดุสุนัขดุงูหรือต่อสถานที่มีหนามหลุมบางเหวบ้างบ่อน้ําโโคลำบ่อโศกโรกเป็นต้นเมื่อพิจารณาโดยแยบคายหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่ควรนั่งไม่ควรไปแล้วก็มีมิด ช, ชัวเป็นต้นน่นนะที่เพื่อนพรหมจันทร์ หรือเพื่อนพรมจาลีเลงความเห็นว่าเป็นคนชั่วเมื่อเธอไม่หลีกเลี่ยงอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนความลาบากก็จะเกิดขึ้นแต่เธอหลีกเลี่ยงก็จะสามารถทำให้ปลอดภัยเป็นต้นเอเนี่ยอันนี้การพิจารณาโดยแยกคาย น, นี่พิจารณาด้วยกำลังของโยนิโสมนสิการนะถ้าบอกว่าพิษุูเนี่ยไม่พึงยืนอยู่ในที่ใกล้ช้างดุว่าเราเป็นสมมณะเพราะว่าความตายก็ดี ทั้งความทุกข์ปางตายซึ่งมีช้างเป็นต้นเป็นเหตุก็ดีอาจมีได้อันนี้พิจารณาโดยอุบายนะย่อมเว้นช้างที่ดุมาที่ดุเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็คือการหลีกเลี่ยงตลอดถึงเมื่อสักครู่ที่พูดถึงในเรื่องของสถานที่โสโครกหรือสถานที่ที่มีอมนุษย์รบกวนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย น, นี้ท่านให้หลีหลกเวน้นและที่สําคัญที่สุดเห็นไหมสถานที่ในลักษณะอย่างเนี้ สิ่งที่ท่านให้หลีกเว้นจริงๆก็คือว่าบุคคลด้วยที่บอกว่าให้พิจารณาโดยแยบคายว่าหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่ไม่ควรนั่งไม่ควรไปและมิดชั่วอีสสองการที่สุดก็คือมิดชั่วนี่แหละถ้าเรย์เลงความเห็นว่าคนคนเนี้เป็นคนที่เป็นคนพานนะเป็นคนชั่วแล้วเนี่ย อันนั้นเนี่ยโหสาคัญมากให้หลีเพราะถ้าหากว่าเราไปครบค้าสมาคมกับคนไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ไอการมาสะวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญไพลบูรณ์นั้นสิ่งต่างๆตัวนี้ท่านจึงต้องพยายามป้องกันตัวเองเต็มที่เลยว่าจะไม่ครอบค้าสมาคมกับคนที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้เพราะอันนี้บาปลากลายจะเกิดขึ้นตามมาจากการครอบค้าสมาคมนี้แหละนี่เป็นอย่างนี้นี่หลีกเลี่ยง อันนี้ก็คือสอนให้พิจารณาในสถานที่ที่ควรและไม่ควรไม่สังเกต ด, ดูไหมว่าที่ที่จะทําให้กุศลขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันมีมีน้อยนักพิสูจก็จะต้องเป็นผู้ฉลาดหรือแม้คนทั่วไปก็ต้องฉลาดสถานที่ใดไปอยู่แล้วเนี่ยราคาโทรศัพท์มหาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เฉลยสถานที่ตรงนั้นต้องหลีกต้องเลีกเว้น สถานที่ที่ไหนไปอยู่ราคะโทรศัพท์โมฮาที่เกิดขึ้นก็นลดสติศินสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเลยสถานที่เหล่านั้นก็ควรจะไปนะอย่างนี้เป็นต้นนี่อาสวะที่บึงลัได้โดยการหลีกเลี่ยมอันประการต่อมาคืออาสวะที่บงรงลัได้โดยการบรรเทาบรรเทาเป็นอย่างไรพินนัยี้พิจารณาโดยแยกคลายแล้วไม่รับกามววิตก อันนี้พิจารณาโดยโยนิสโสมนัิการนี น, นะก็คือไม่ตรึกไปในกามนั่นเองที่เกิดขึ้นละบันเทาทําให้สิ้นสุดทําให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้ต่อไปอันนี้ก็หมายความว่าพิจารณาในการโดยแยกคายนะในการที่จะละวิตตกฝ่ายชั่ววิตกฝ่ายที่ไม่ดีอันนี้ต่อไปจะไปเรียนรู้ในเรื่องของทเวทาวิตตะกสุท่านจะแยก ว, วิตกเป็น2ส่วนว ก, กามาวิตกพยาบาทวิตตกหญิงสาววิตกก็จะไม่ตาม่างจากตรงนี้เท่านั้น หรือพิจารณาโดยแยกคายแล้วไม่รับพยาบาทวิตกความตึกในการผูกพยาบาทคือความคิดในการพยาบาทคิดโกรธนะโกรธแค้นชิงชังทั้งหลายเลยนี่เป็นต้นหรือพิจารณาโดยแยกคายแล้วไม่รับวิหิงสาวิตกความตึกในการทำร้ายที่เกิดขึ้นก็คือไม่รับบาปอากุศสลรรมที่เกิดซึมซ้าแล้วซ้าเล่า ละบันเทาทําให้สิ้นสุดและทําให้ถึงความเกิดขึ้นอีกไม่ได้อีกต่อไปเออตัวอาสวะที่พึงร้ายด้วยการบันเทาเนี่ยพิกสู่พิจารณาเห็นโทษในการวิตกโดยแยกขายโดยนายเป็นต้นวิตกนี้เป็นอกุศลแม้เพราะเหตุอย่างนี้วิตกนี้มีโทษแม้เพราะเหตุนี้วิตกนี้มีผลเป็นทุกข์แม้เพราะเหตุนี้วิตตกนี้และย่อมเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเอง ดังนี้เป็นต้นก็ไม่รับอันนี้ก so ารพิจารณากี่ส่วนเนี่ยอกุศลวิตรกเนี่ยให้พิจารณาเจาะไปที่โทษของเขาเลยนะอกุศลการมวิตรกมีโทษอย่างไรพยาบาทวิตกมีโทษอย่างไรวิหิงสาวิตกมีโทษอย่างไรพิจารณาถึงโทษของราคะโทสะโมหะนั่นแหละวิตกนี้เวลามันเกิดก็ไม่มีโทษมันมีความ ไอ้โทษของเขาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันสร้างบาปบังสนธิธรรมมันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไรมีผลโอ้โหเสียหายมากผลที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะเกิดขึ้นทําให้สภาพจิตใจเป็นยังไงบุคลิกภาพเป็นอย่างไรเสรื่อมราบเสื่อมยอดโดนนินทาประสบความทุกข์เมื่อบาปบังสนธิธรรมเกิดขึ้นเป็นอย่างไรสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีอบายทุกขติวิบัตินรกเป็นไปในเบื้องหน้าอย่างไรเป็นต้นอะเนี้ย นี่คือการพิจารณาถึงโทษของวิตกเหล่านั้นนั้นสภาพของวิตกเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วมันให้โทษถ้าในพิจารณาเจอดจงไปที่ตัวโทษของวิตกเหล่านั้นเลยเนี่ยวิตกที่พึงละได้โดยการบรรเทาเนี่ยย่อมละและบรรเทาทําให้สูญสิ้นไปให้ถึงความไม่มีก็คือไม่ยอมรับในไม่ยอมรับบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมลาย่อมบรรเทาถึงความไม่มีเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าลาได้โดยการพิจารณาถึงถึงโทษของเขาแล้วก็วิตกเกิดขึ้นเบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนอยังไงเนี่ยก็ไม่รับการมรวิตกได้แก่ที่กําเนิดคือบังเกิดขึ้นแล้วในอารมณ์นั้นๆยกจิตขึ้นเสียไม่ให้การวิตกหยุดอยู่ได้และก็ไม่ให้การวิตกหยุดอยู่ภายในนั้นได้ ถามว่าพิกษูเมื่อไม่ให้กรารวิตกหยุดอยู่ได้ชื่อว่าทําอะไรตอบว่าย่อมละคือย่อมทิ้งวิตกนั้นเสียถามว่าพิกษูจะละวิตกและทิ้งกรารมวิตกเป็นต้นเหล่านี้ยเหมือนอะไรเหมือนคนเอาตะกร้าตักหยามเยื่อทิ้งกันนั้นหรือตอบว่าหาไม่ได้แท้ที่จริงพิกษูนั้นย่อมบรรเทาคือย่อมคือทุเราได้แก่แทงเหมือนว่านําออกซึ่งกรารวิตกนั้นถามว่าไอ้คําว่าแทงเหมือนกับคนเอาประตัด ทางโคหนุ่มใช่หรือไม่ตอบว่าไม่ใช่โดยที่แท้แล้วทําการไม่ตกนั้นให้ย่อยยับไปไม่เหลืออยู่ภายในของภิกษุนั้นแม้เพียงชั่วภวังกระจิตถามว่าภิกษุทําการวิตกนั้นให้เป็นอย่างไรได้อย่างไรตอบว่ายาอมการม่ตกนั้นให้ถึงความไม่มีคือย่อมให้ถึงความไม่มีที่ทีละน้อยละน้อยอธิบายว่าย่อมทําโดยประการที่วิตกเป็นอันเธอข่มไว้ด้วยอย่างดีโดยด้วยอะไรด้วยวิคัมพนาประหาร ตรงนี้จําได้ไหมในวิตกกสัญฐานสูจะไหมพูดถึงในลักษณะของก็คือทําลายที่ตั้งของวิตตกถ้าปรารถนาที่จะข่มนะีคือปรารถนาจะทําให้อธิจิตจิตที่ยิ่งก็คือสมาธิภาวนาระดับอุปจาระโดยเฉพาะอัปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นจะเกิดคึ้จะต้องมีอุบายในการที่จะล่าวิตตกนี่ใช่ไหม อุบายในการที่จะเล่าวิตกตั้งแต่พิจารณาเห็นเห็นโทษของเขาเออพิจารณาก็คือแทนที่ว่าไม่ใส่ใจใช่ไหมพอการวิตกเกิดขึ้นพยาบาทวิตกเกิดขึ้นวิหังวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นก็ไปพิจารณาถึงนิมิตอื่นใช่ไหมพิจารณาถึงทานกุศลพิจารณาถึงศีลกุศลพิจารณาถึงสมาธิกุศลพิจารณาถึงปัญญากุศลเกิดขึ้น เมื่อเราไปใส่ใจในิมิตอื่นวิตกเหล่านั้นก็จะสามารถถึงการละได้เป็นต้นเหล่านี้หลักการอย่างนั้นก็เป็นหลักการวิเทเออบันเทาการมวิตกเป็นต้นทั้งนั้นเลยเนี่ยหลักการที่เคยสอนมาแล้วแนะนํามาแล้วเนี่ยบางทีก็ละได้ด้วยการเปลี่ยนนิมิตเนี่ยบางทีก็ไปละเจาะไปที่เป็นมองพิจารณาถึงโทษเข้าเลยไอ้พวกจิตที่ตรึกในการมตรึกในพยาบาทตรึกในเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ย มันเกิดขึ้นแล้วตัวมันเองมีโทษอย่างไรให้ผลทางด้านจิตใจอย่างไรบุคลิกภาพอย่างไรเสื่อมลาบเสื่อมยศ อ, อย่างไรเป็นต้นเหล่านี้ตลอด ถ, ถึงว่าให้ผลในบายทุคติวินิบาตทารกเนี่ยเขามีโทษในตัวของเขาเองเบียดเบีย น, ยนสภาพจิตใจใเร่าร้อนแล้วก็ยังเบียดเบีย น, ยนตัวเองด้วยทําให้วิตกเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำตัวเองจมอยู่ในบายทุคติวินิบาตทารกเป็นต้นเหล่านี้ด้ว ย, ยอันนี้คือการบรรเทาเนี่ยแหละไอ้ตัววิตกเหล่านี้ กการมวิตกก็คือการตรึกในการเนี่ยนะพยาบาทวิตกก็ตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในการทำร้ายเมื่อนับรวมวิตก3ามอย่างนี้แล้วเนี่ยความดำริใหญ่8จะถึงมหาวิตกทั้งทั้งก็มีนะตอนนี้ก็ญาติวิตกก็ความตรึกถึงญาติก็ได้คิดถึงญาติก็เป็นกามกุญอยู่ในกามชนะบทวิตกก็เกิดตรึกถึงแว่นแคว้นถึงเมือง อมอหรืออมาราวิตกก็ความคิดที่มีทิฏฐิซ้อนสายไม่แน่นอนปราณุตทยะตาปฏิสัมยุตตาวิตตกก็คือความตรึกในเรื่องอนุเคราะห์คนอื่นลาภาสาการะสิโรปฏิสัมยุตตาวิตตกก็คือตรึกถึงราการะและเสียงสรรเสริญอนยวัญยตปฏิสัมยุตตาวิตกก็คือความตรึกเรื่องเกรงผู้อื่นจะดูหมิ่น สรุปแล้วก็คือวิตกตอนนี้6ไปรวมการมวิตกพยาบาทวิตกหญิงสาววิตกอีกก็เป็น9สรุปมนุษย์ก็คิดกันในเรื่องเหล่านี้แหละวันวันหนึ่งก็ตรึกในเรื่องเหล่านี้ที่จริงๆก็เป็นการฟุงร้งซ่านตรึกคิดตลอดบางกลุ่มก็คิดถึงญาติบางกลุ่มก็คิดถึงวันแควนบางกลุ่มก็ตรึกด้วยแต่มีทิศถิที่ซัสดสายไม่แน่นอนไปทั่วนะบางกลุ่มก็ ตึกในเรื่องอนุเคราะห์คนอื่นอยากจะไปช่วยคนอื่นอน่นอกเคราะห์คนอื่นก็นมันหลุดไปหมดแลยนะบางทีก็ตรึกในเรื่องของราบสกาลาเสียงสารเสรินคิดไปคิดไปนจนจินตนาการไปอย่างคนที่เริ่มเพีย้ยนเพียเพ้ยนทั้งหลายสังเกตดีๆบาคนก็คิดว่าตนเองเนี่ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ก็ก็ก็เพีย้ยนอยู่กับความจมอยู่ความเบียดอย่างนั้นนะแล้วก็เก่งว่าพู่จริงจะดูหมิน่นสรุป ก, ก็คือการเรื่องคิด การวิโตกไปต้นเหราเนี้ยนะความความตรึกในเรื่องการนิบาปกสโศธรรมทั้งหลายก็เกิดขึ้นอาสวะความเร่าร้อนความคับแค้นใจก็จะเกิดขึ้นแก่ผู้ไม่บรรเทาหรือไม่สามารถจะล้ะวิตกเหล่านั้นได้นั้นวิตกเหล่าเนี้ยแต่นี่จริงเมื่อเราไปมานาสการผิดขึ้นมาที่ยังไม่เกิดมันก็โกรธใจโกรธขึ้นเรื่อยเรื่อือ่ที่สุดจริงก็เกิดความเสียหา ย, ยหลายๆคนก็ติดอยู่ในกาในการตรึกในการ ตรองการพิจารณาการใส่ใจที่ผิดพลาดนี่แหละนั้นพวกวิตกก็มีอย่างนี้เป็นอกุศลวิตกนะถ้าท่านสอนในละถ้าส่วนกุศลวิตกนะท่านเม่สอนในละอย่างคิดยังไงได้ไม่ไม่เป็นโทษเช่นตรึกที่เป็นไเนคข ม, มารเป็นต้นเหล่าเนี่ยไอ้ความตรึกความตรองเหล่านี้ยมันเป็นความเสียหายเวลามันเกิดขึ้นมาก็คื อ, อยังบาปเห็นไหมว่าถ้าเราไม่สามารถควบคุมสภาพจิตใจเราได้ในจิตล้คิดทั้งบาปไ ด, ได้ตลอดทั้งวั น, น จช่ไหมผคิดบาปตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เวลาคิดไข้ควรต่างๆตรงนี้แล้วเนี่ยการวิตรกที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญพยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องการผูกพยาบาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจเจริญหรือความคิดทําร้ายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญสรุปแล้วก็ตรึกถึงญาติเนี่ยถึงแว่นแคว้นบ้างหรือตึกไปในทิฏฐิสายไม่แน่นอนบ้างหรือข้อคนอื่นเรื่องราบสกาละเรื่อง เกลงผู้อื่นจะดูหมินทั้งหลายเหล่านี้วิตกวิตกเหล่านี้ ค, คิดไปแล้วที่สุดจริงๆก็ทำตัวเองจมอยู่กับบาปมีอักขเสววิตตกอักข้อสุดท้ายอาสวะที่พึงละได้โดยการอบรมเออพิจารณาภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคลายแล้วเจริญสติสมโพธชงอ น, นสาสัยวิเวกอ น, นาศัยวิราคะอ น, นาศัยนิโรธะน้อมไปในการสระกิเลส พิจารณาโดยแยบคายแล้วก็พิจารณาเจริญธรรมวิจยยสัมโพชงพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็เจริญวิริยะสัมโพชงพิจารณาแยบคายแล้วเจริญปีติสัมโพชงพิจารณาแยบคายแล้วเจริญปัตสัติสัมโพชงพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็เจริญสมาธิสัมโพชงพิจารณาโดยแยบคายแล้วก็เจรณาเวขาสัมโพชงอาศัยวิเวคอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธะน้อมไปในการที่จะสระกิเลสลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าด้วยการจเจริญ น, นี่ท่านขับเน้นตัวโพชฌงทีนี้พอพูดถึงโพชฌงก็จะมาสรุปสรุปประเด็นตรงนี้ให้ใหฟังนิดหน่อยนะโพชฌงเนี่ยธรรมชาติใดย่อมรู้ซึ่งสัจจทั้งสี่อย่างดีรู้ทุกขสัจจะสุตติยะสัจจะ นิโรธาสัจจาและมัคคสัจจานี่ขับเน้นที่ตัวโลกุตตรามัคเลยนะชื่อว่าสัมโพธิองค์แห่งมัคคยานยี่แหละนี่ขับเน้นตัวนั้นเลยสัมโพธิหรือสัมโพชงเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ในไะอตัวนกนกที่เกิดขึ้นมาครั้งแรกนะเป็นไข่หลังหลังจากออกจากไข่แล้วก็มาเป็นตัวอีกทีหนึง่ง เมื่อมีขนมีปีกแข็งกล้าแล้วย่อมสามารถบินไปไหนมาไหนได้ในอากาศได้ชั้นใดออพยโยคีหรือผู้ที่จะบำเพ็ญความเพียรก็เช่นเดียวกันครั้งแรกนะ่ะเจริญกายยคตาสติจเจริญพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นหรือครั้งแรกจริงๆเนี่ยนะไปพิจารณาเลยดิพิจารณาอาณาบรรณสติ สามารถกําหนดจิตเน่ยนะจากจิตที่ซัสดสายจิตที่บ้าคือมนุษย์ุยู้ชมโดยทั่วไปก็เป็นคนบ้าอยู่แล้วจิตซัสดสายตลอดเวลาไม่สามารถจะรวมจิตเป็นหนึ่งได้ไม่สามารถคอนโทรลให้จิตไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งเป็นหนึ่งได้เพราะก็คือจิตก็บ้าสัสดสายไปทั่วใช่ไหมเป็นเหมือนคนบ้านั่นแหละไม่สามารถที่จะคอนโทรลจิตตนเองได้กําหนดว่าจะอยู่ตรงนั้นตั้งมั่นตรงนั้ น, ต ร, น, นตรงนี้ได้ แต่เมื่อฝึกกายยคตาสติ Ausw it, มีการเจริญอาณาบรรณสติเบื้ต้นพื้นฐานสุดๆหนึ่งพอเจริญอาณาบรรณสติกำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกก็คือมีความรู้สึกตัวว่าขณะนี้หายใจเข้ามีความรู้สึกตัวว่าขณะนี้หายใจออกโดยปกติคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้สึกนนั่งอยู่เฉยๆอย่างหายใจเข้าหายใจออกไม่เพลินไม่รู้เรื่องเลยแต่เมื่อได้ฝึกในอาณาบรรณสติในการยคตาสติเป็นต้นเหล่านี้ จากจิต ท, ที่บ้าจิต ท, ที่ซัดสายจิต ท, ที่ฟุ้งซรานทั้งหลายเริ่มรวมเริ่มควบคุมจิตได้เหมือนการฝึกลูกวัวที่หย่านมใหม่ๆแล้วนีดเอาเชือกมัดเขาผูกไว้ที่หลักนี่ก็เหมือนกันตามธรรมดาจิต ท, ที่บ้าทั้งหลายสัดสายไปตามสีเสียงกิรลดผลพัพน์ทำอารมณ์ที่น่าปรารถนาหน้าไข่หรือหลีกเว้นจากอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักไม่น่าไข่เป็นต้นกระซัดสายไปตามที่ต่างๆไม่สามารถจะรวมศูนย์กลางหยุดจุดใด จ, จุดหนึ่งได้ นี่ก็มาเข้าสู่ในพระศาสนาของพระชินพรเจ้าก็มาฝึกจิตทีนี้การฝึกนี้ก็เรียกอบรมเลยเรียกว่าภาวนาเรียกว่าเจริญก็ทําให้มีทําให้อะไรทําให้สติที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นเห็นไหมทำให้สติที่ยังไม่ไม่ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นคือให้สมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นวิริยะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นปีติปัสตธิสมาธิอุเบกขาทั้งหลายเลยเนี้ยสภาพจิตเนี่ยที่มีความตั้งมั่นมีความแข็งแรงทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ก็เริ่มตั้งมั่นที่ลมหายใจเข้ามีความรู้สึกตัวขณะนี้หายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกจนจิตตั้งมันเป็นสมาธิดิ่งแนลลมเดียวได้สมมติเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ อ, อย่างเงี้ยครั้งแรกเขาจริลยนานาปัญสติจนสามารถหลุดพ้นจากจิตที่บา้าที่สืบต่อมาจากสังสารวัฏอย่างยาวนานได้นี่เป็นการหลุดพ้นครั้งที่หนึ่งแปลว่าใครได้สมาธิระดับอุปจาระโดยเฉพาะอัปนาสมาธิ ได้ที่จิตปุ๊บเนี่ยแปลว่าเริ่มหลุดพ้นจากจิตที่บ้านแล้วไม่สะใจแล้วทีนี้พอได้สมาธิระดับนั้นที่บอกสมาทิงพิกเวบาเวถาสมาโยยถาภูตังประชานาติีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถืดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเออตรงนี้ก็คือว่าให้จิตตั้งมั่นนะจะได้เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญา เมื่อเจริญอาณาบรรณสติเป็นต้นเหล่านี้จนสามารถจิตดิ่งเป็นสมาธิตั้งมั่นได้แล้วนี่กิตลําดับแรกนี่จิตหลุดพ้นจากจิตที่บ้าจิตที่ซัดสายจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยตอนนี้หันมาไม่ซัดสายจิตที่ผ่องสายจิตที่สะอาดเยืยมอ่องฟองแพ้วไร้บนทินจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเนีเป็นเอกคตาจิตสามารถกําหนดอยู่ในจุดใดก็ได้ตามที่ปรารถนาก็เรียกเป็นสมาธิ ตั้งมั่นแล้วอย่างเงี้ยจิตในลักษณะอย่างเนี้ยถึงจะสามารถเป็นจิตที่เหมาะควรควรแต่การที่จะไปเจริญหรือไปเดินวิปัสสนาญาณใช่ไหมถ้ายังยังไม่สามารถกําหนดความหรือไม่สามารถจัดการกับความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้เนี่ยเอาจิตประเภทนี้ไปเดินวิปัสสนาญาณก็เป็นจิตที่ทุรพลสามกําลังเป็นจิตที่อ่อนแอเป็นจิตที่ไม่คู่คุมทีนี้ จนสามารถหลุดพ้นจากจิตที่บ้าที่สืบต่อมาจากสังสารวัตรได้นี่เป็นการหลุดพ้นครั้งที่หนึ่งก็คือได้สมาธิแล้วระดับอัปนาสมาธิตั้งมัน่นเข้าจะเข้าเมื่อไรก็ได้จะตั้งมั่นเมื่อไรก็ได้มีความชํชนานิชํานาญเนีออกเมื่อไรเข้าเมื่อไรจะตั้งมั่นนานเท่าไหร่โอ้ได้ตามที่กําหนดตามที่ต้องการนี่นะอันนี้แปลว่าฝึกได้ชัดเจนแล้ว <c oughs> การต่อมาเมื่อจิต ตั้งมั่นแล้วก็เป็นฐานปฏิบัติการของปัญญาก็เอาในติ จ, จิตที่ตั้งมั่นเป็นฐานปฏิบัติการเจริญวิปัสนาจนสามารถกระทั้งเห็นรูปนามพิจารณาแยกแยะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมองเห็นกระแสชีวิตนะเห็นความเป็นไปของกระแสชีวิตทุกๆขณะวิจัยรายละเอียดที่ทั่วเลยโอ้อันนี้ชัดเล ย, ดยเดี๋ยนะสามารถใช้ญาณปัญญาได้เต็มที่เต็มศักยภาพแล้ว จากการที่แต่ก่อนเนี่ยปัญญามันไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ทํางานเพราะจิตซัดสายจิตพุ่งซ่านแต่พอจัดการกับจิตบ้าได้ทําจิตตั้งมั่นได้อือเดีนี้มีฐานปฏิบัติการและปัญญามีที่ตั้งมีที่ทํางานอู้เีนี้สามารถจะน็อกจิตไปจนมานสิกกานโยนิโสวัสนิกานผู้เจอเห็นรูปประธรรมที่เป็นมหาพุทรูปอุปาทายรูปแยกแยะละเอียดดีอย่างท่องแท้แยกแยะกลุ่มนามธรรมาได้อย่างละเอียด ทั้งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ญญขนวิญญาณขันเห็นละเอียดถีทั่วอย่างนี้เป็นต้นจนละวิชาที่หยาบได้เป็นการหลุดพ้นครั้งอีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและในการที่เจริญวิปัสนาจนกระทั่งเห็นรูปนามและจนละวิชาที่หยาบได้เป็นการหลุดพ้นเป็นครั้งที่2หลังจากที่ได้เจริญโพชฌงเจตไล่ไปตามลําดับมีสติสามโพชฌงเป็นต้น จนสา ม, มารถบรรลุมรกายานจนสา ม, มารถหลุดพ้นจากการสำลักน้ำในความเป็นโลกิยชนก็หมายความว่าเออหลุดออกจากความเป็นปุตุชนเสทีเลยจากเป็นโลกิยชนเนี่ยบินจากความเป็นปุตุชนย่อมถึงความเป็นอริยชนที่ตนได้ตั้งความปรารถนาไว้ในพบก่อนๆ น, นี่เป็นกล่าวโพชชงนะโดยย่อยอย่างเนี้ยโพดชงก็มีว่าหนึ่งสติสัมโพดชงองค์แห่งมรกายานคือสติ ความระลึกได้อย่างมั่นคง 2. ธรรมวิจยตรสำโพธชงองคแห่งมัคคายานคือปัญญาคือความรอบรู้คือความชาญฉลาดเป็นตัววิจัยแยกแยะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นกระแสชีวิตตามความเป็นจริง 3. วิจิตะสำโพธชงองค์แห่งมัคคายานคือวิริยะนี่เป็นวีระความกล้าหาก้าวไปใจสู้ละบาปอกศรได้ละความละกลุ่ม โกสัจฉะอกุศลน่ะความเกียรติค้าที่เป็นอกุศลได้หมดปีติสัมโพชฌงองค์แห่งมรรคยานคือปีติมีความอิ่มใจที่ตนเองได้หลุดพ้นจากกิเลสปัตสทิสัมโพชฌงองแห่งมรรคยานคือปัตสทิมีความสงบกายสงบใจจะมีความสุขมากความสงบสมาธิสัมโพชฌงองคแห่งมรรคยานคือสมาธิคือความตั้งมั่นในสมาธิ ที่หลุดพ้นจากกิเลส ด, ด้วยการข่มไว้สมาธิที่หลุดพ้นจากกิเลส ด, ด้วยการละได้แล้วอุเบกขาสัมพโพชงมัคคายานอเบกขาทีนี้สติเนี่ยที่มีชื่อต่างๆบ้างแห่งเราจะมีถ้าว่าด้วย C, อินทรีก็เรียกสติินทรีย์สติความเป็นใหญ่คืออินทรีย์มีกําลังเรียกสติภละสัมมาสติในองค์มรรคและสติสัมพโพชงเนี่ยนะปัญญาก็มีชื่อเรียกต่างๆ วิมังสิทธิทบาทปัญญาที่สอบสวนปัญญินทรียปัญญาที่เป็นใหญ่ปัญญาภระาําลังคือปัญญาสมาทิฏฐิความเห็นชอบธรรมวิจิตสัมเพืชมในตัวปัญญาที่เข้าไปวิจัยแยกแยะทีนี้ปัญญาวิสุท ธ, ธินีมีทิฏฐิวิสุท ธ, ธิเป็นต้นความเห็นที่สะอาดบริสุทธิ์นี่นะตลอดถึงอนุ ป, ปัสนาญาณมีพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตา ในวิปัสสนาญาณทั้งหลายเหล่านั้นเป็นต้นอันนั้นแหละเขาเรียกธรรมวิจยะสะโพชงเออเหมือนการตีลูกนุ่นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาได้นุ่นมานุ่นที่มีเมล็ดเนี่ยหรือได้ฝ้ายเมล็ดฝ้ายเมล็ดนุ่นมาได้ฝ้ายมาได้นุ่นมาเนี่ยมันจะมีเมล็ดผสมอยู่เขาจะมาตีลูกนุ่นการตีในที่นั้นเขาเรียกมาดีดก็มีที่ดีดฝ้ายดีดลูกนุ่นดีดดีดดีทำฝ้ายมันโฟขึ้นดีดปุ๊บปุ๊บปุ๊ป๊บ๊บ ให้ลูกนุ่นก็ะเด็นออกไปเหลือแต่ฝ้ายนุ่นสะอาดท่องขาพองแนะ่แล้จนสามารถดีดนะกระทั้งเม็ดนุ่นหลุดออกเหลือแต่นุ่นที่บริสุทธิ์ไม่เจือด้วยไม่เจือปนแม้ชั้นใดธรรมวิจยะคือการพิจารณาแยกแยะรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยต้องพิจารณารูปธรรมานามธรรมาแล้วแเราเล่าโดวยวิปาานนัสสนาญาณนะเริ่มตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่หนึ่งสองสามเจ็ปดเไล่ไปตามดับเลย ไอตัวปัญญายังจะมีขั้นตอนในความละเอียดตามกันฉะนั้นการไปไข้ควรพิจารณาแล้วๆเล่าเาใส่ใจแล้วๆลเล่าเเนี่ยไปใส่ใจในรูปธรรมนามธรรมใส่ใจในกระแสชีวิตเมื่อสมาธิตั้งมั่นดีแล้วเอาสมาธิเป็นฐานปฏิบัติการเข้าปัญญาก็ใช้ปัญญาไปวิจัยแล้วแล้วเล่าเล่าวิจัยแล้ววิจัยอีกวิจัยแล้ววิจัยอีกโโหวิจัยใหญ่เลยทีนี้พอวิจัยย้ำแล้วย้ำอีกวิจัยแล้ววิจัยอีกปัญญาก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแล้วยิ่งเห็นอะไรชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น เขาจะสามารถเห็นกระแสชีวิตตามตามที่มันเป็นไม่ใช่คิดนึกเอาแล้วแต่นี่เห็นตามความเป็นจริงกระแสชีวิตทุกๆขณะที่ดําเนินไปอย่างไรก็จะสามารถเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปรากฏเกิดชัดเนี่ยเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาเม่่อยนี้สติปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นเห็นชัดอย่างเนี้ย การต่อมาวิริยะก็หมายถึงสัมมปทานบ้างวิริยธิบาทวิริยนซีวิริยภา ร, ร า, าสัมมาวิมาเนี่ยความเพียรชอบทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของจนถึงวิริยะสัมโพชงก็จะสามารถความเพียรประคับประคองก็เกิดขึ้นเวลาที่จะใส่ใจพิจารณารูปนามทั้งหลายเหล่านี้ต้องอาศัยทั้งสติอาศัยทั้งความเพียรเนี่ยมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะสามองค์นี่แหละเป็นตัวเข้าไปวิจัยแยกแยะนะประคับประคอง และในขณะเดียวกันเมื่อไปเห็นตามความเป็นจริงก็เกิดความชุ่มชื่นใจชื่นใจในขณะที่เห็นในขณะที่เห็น ส, สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นก็จะเกิดปีติสำเภาชงปลื้มใจขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความสงบสุขลงไปตามลําดับกายและจิตที่เศร้าโศกทั้งหลายก็จะหมดอันนี้ ป, นปราศจากความฟุ้งซ่านแล้วหรือการคิดมากที่ว่ากายยับปัสติจิตแต่ปัสธิกายก็สงบใจก็สงบประการต่อมาคือสมาธิ สมาธิสี่สมาธิภาราสมาสมาธิหรือสมาธิสัมโพชฌงก็จะเกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่บริกรรมสมาธิสมาธิชั่วขณะอุปจารสมาธิสมาธิเริ่มตั้งมั่นแล้วจนถึงสมาบัตแปดเลยปฐมฌานทุติยฌานตัทธิฌานฉัตรุทธิฌานจนถึงอรูปฌานที่เกี่ยวเนื่องกับจิตตวิสุทธิสุญญาตสมาธิอภปนิตรสมาธิเปต้นจนถึงอัปินาสมาธินั่นแหละก็จะสามารถเกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อนเป็นเป็นฐานของปัญญาวิสุทธิ นนสมาธิสัมโพชงที่ประกอบไปด้วยวิปัสนาญาณสมาธิที่ประกอบไปด้วายามรรคญาณผลญาณเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็จะสามารถดําเนินไปในการทรรี่ทํากิจในการละ ก, กิเลสอย่างนี้เป็นต้นในการเจริญกรรมฐานมีความภาคเพียรขวนขวายที่ไม่ถูกทางไอตัวตัตธรรมชาตตาในเชื่ออุเบกขาเนี่ยที่หายจากความภาคเพียรที่ไม่ถูกทางในการที่ดําเนินที่ถูกทางแล้วชื่ออุเบกขาสัมโพชง ก็สามารถปรับโทนจิตท่องตอนเองให้มีความตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็เดินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาเดินตามทางที่ถูกต้องอนั้นในเวลาที่พระโยคีเจริญโพชฌงทั้ง7จนมีกำลังสม่ำเสมอได้ดีแล้วพระโยคีบุคคลนั้นก็ย่อมได้เสวยสมบัติอันเป็นของสมณะนะที่ไม่มีสิ่งใดเหมือนในโลกทั้ง3ในกาภูมิลูกภูมิและในลูภูมิอันเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในพระศาสนา เหมือนอะไรเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิน่ยที่ปกครองทวีปทั้ง4ี่ทวีปทั้งสี่ก็คือปกครองในชมพูทวีปอุตรากุรุทวีปปุพผ้วิเทหาทวีปอ布รโคยานนทวีปแล้วก็ได้รัตนนาเจ็ประการเลยได้รัตนนาได้จับแก้วได้ช้างแก้วได้ม้าแก้วได้แก้วมณีได้นางแก้วได้ขุนพลแก้วได้ขุนคลังแก้วเนี่ยเป็นผู้บริบูรณ์ในรัตนนาทั้งเจ็ดได้เสวยสุขสมบัติที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนในโลก ตรงนี้ก็บอกว่าภิกษุพู้เข้าไปอยู่ในศุนยาคารอยู่ในเรือนว่างมีจิตสงบมีจิตตั้งมั่นเห็นแจ้งอยู่ซึ่งรูปนามอย่างดีย่อมได้รับความสุขที่ไม่ใช่มีอยู่ในมนุษย์เป็นความสุขแห่งจิตที่มากด้วยความสุขมากกว่าความสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิที่ปกครองปฐวีทั้งสี่ภิกษุก็พิจารณาความเกิดและความเสื่อมแห่งรูปขันใดๆผู้ที่เห็นแจ้งอย่างอมตะย่อมได้รับความสุขแห่ง แหงจิตจาการพิจารณานั้นนั้นเห็นไหมว่าพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วจิตจะได้ความสุขความยินดีความพอใจที่ได้จากการเสวยโลภยศสมบัติของพระราชาในโลกมนุษย์และความเป็นไปเห็นพระราชาในเทวโลกความยินดีเช่นนั้นก็เทียบไม่ได้เมสเซียวที่256ส่วนของความยินดีอะไรของความยินดีของพระโยคีผู้พิชผู้มีโพชฌงันสม่ำเสมอแล้วเสวยสุขในวิปัสสนาญาณ น, นี่ก็เลยรถแห่งโพชฌงันเจ มีสติสามโพธชมธรรมวิญยาสาโภธชมเป็นต้นเนี่ยเป็นรถที่อร่อยมากเพราะเหตุนั้นน่ยพระพุทธเจ้าชิวตรัสบอกว่าสับพังล่สังธรรมรโสชินาติก็แปลว่ารสแห่งพระธรรมชนะรถแห่งโลกภยะสุขทั้งหมดชนะรถทั้งปวงฉะนั้นถ้าใครได้เสวยความสุขนีได้เสวยความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเขาเรียกได้ อาสวะที่พึงลักได้ด้ว ย, วยการภาวนาได้เจริญจนสามารถทําสติสัมโพธชงให้เกิดขึ้นธรรมวิจยะคือปัญญาให้เกิดขึ้นวิริยะคือความเพียรให้เกิดขึ้นปีติความอิ่มใจปัตสิที่ความสงบสมาธิความตั้งมั่นอุเบกขาความมีใจเป็นกลางเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นให้เกิดขึ้นก็จะสามารถยังยานปัญญาพโยคีนั่นเนี่ยตั้งอยู่ในปฏิปทาที่ยัง รู้ตั้งแต่การอุบัติเกิดขึ้นเห็นปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ท่านยกตัวอย่างว่านี้เป็นสัมโพธิแล้วเริ่มตั้งแต่ก็คือว่าได้เข้าถึงวิเวกสติสัมโพชธิชงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิเวกก็คืออาศัยจัตารรมขวิเวกสงัดต่ทําเข้าวิเวกก็คือตัวอนุปัสนาญาณเนี่ยนะแต่ทางขวิเวกก็คือเดินวิปัสนาญาณก็จะได้ความสงบจากกิเลสเป็นตามระดับไป เริ่มตั้งแต่นิจานุปัสนาทุกขานุปัสนาหน้าตานุปัสนายันพิจารณ์เนดความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้ตาตาอะไรไปตามลําดับวิขำพนวิเวกก็คือสงัดจากสมาบัติได้สมาบัตแปดสมาธิสมุเทเฉทวิเวกนี่คือสงัดจากการตัดขาดได้บรรลุในอริยมรรควิโสดาปิริบันโสดาปิริมากเป็นต้นปัจจทิวิเวก็คือสงัดด้วยการสงบระงับมาเป็นผลสนิสตรณวิเวกหมายถึงสงัดออกไปคือพนานิพาน เห็นไหมว่าตรงนี้ก็คือท่านถึงบอกว่าอา น, นิสงของการเจริญโพชฌงอา น, นิสงเยอะเห็นหมเมื่อเจริญหรือพิจารณาจนสามารถเดินสมาธิเดินวิปัสสนายานจนถึงขั้นสูงสุดได้ละบากอกุศลธรรมมันชั่วร้ายไปแล้วผู้ป่วยที่ได้ฟังเสียงสวดในโพชฌงเจ็ดต้องเข้าใจด้วยนะแล้วทำให้หายโรคในขณะนั้นได้ทันทีตัวอย่างเช่นพระมหากัะสปะ ผู้ที่ป่วยแล้วฟังเสียงสวดพูดชงแล้วรู้เนื้อความเนะีเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วจนทําให้เกิดศรัทธาภาษาธาตุที่มีกําลังแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคุณในพระพุทธรรคุณในธรรมคุณเป็นต้นนี้เกิดศรัทธาตั้งมั่นจิตเกิดความตั้งมั่นก็ไร้ละก็ขับไล่โลคาพาตให้หายแ ล, แล้วก็สามารถเดินเข้าสู่สมาบัติเป็นต้นเหล่านี้ได้เมื่อโพูดชงทั้ง7มีสติสัมโพชงถึงความสม่ําเสมอดีแล้ว พระโยคยีผู้ปฏิบัติย่อมได้ความสงบเย็นแห่งจิตที่ปราศจากความโลเลแห่งแต่ก่อนเนี่ยจิตเป็นโลเลแต่พอได้ปรับโพชงถึงสความสม่ำเสมอดีแล้วเนี่ยพิจารณากรรมฐานเป็นไปตามลำดับเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงความสงบแห่งจิตได้กําจัดความโลเลได้พระโยคียบุคคลย่อมได้เสวยความสงบแห่งจิตที่ไม่มีความโลเลเพราะเห็นอะไร ก็เห็นอันนี้จำความไม่เที่ยงเห็นทุกขังความไม่ทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเป็นต้นได้ไหมพี่เห็นตามความเป็นจริงก็ขจัดความโลเลจิตได้พอได้รับความสงบเย็นแห่งฐานสี่ฐานอย่างนั้นจึงเป็นผู้มีความชื่นใจอย่างดีนะเราจะได้เห็นแสงสว่างห่นิพพานที่ไม่เคยได้เห็นมาเลยแม้เพียงในความฝันในอมตะทักษะสังสาระอันเป็นความสงบเย็นแห่งจิตเจษรศึกและความเร่าร้อนทั้งบวญเป็นต้นได้ พราะได้รับความชื่นอกชื่นใจเช่นนี้แหละและได้ความสงบเย็นแห่งจิตและเจริญในสมาธิในอารมณ์กรรมฐานต่างๆก็จะเกิดขึ้นก็จะหลุดพ้นจากการจากความพลาดเพียนที่จเจริญสติเพียนในการที่จะดูอันิีจังทุกครั้งนะตาเพียนเพื่อใจละให้วิริยะเกิดแล้วเบียคหาย่อมเกิดขึ้นนั้นโพชชงก็ถึงความสม่ำเสมอย่อมเป็นโพธชงที่วิเศษเขาเรียกสามโพชชงอย่างสามัญ และกลุ่มธรรมะมีสติเป็นต้นที่เกิดขึ้นตั้งแต่ได้เจริญกายยสตาทิเป็นต้นเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะการเจริญโพชงที่ถูกต้องนี้เป็นต้นฉะนั้นการเจริญโพชงโดยสามัญก็มีการเจริญหรือพิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นต้นส่วนการเจริญโดยพิเศษก็คือพูดถึงโพชงในขณะที่มีการฝึกขัดเกลารจนสามารถได้ความสงบเนีเริ่มตั้งแต่ว่าเจริญ สติสัมโพชงอนาสัยวิเวกอนาสัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการที่จะศาสิเลสละขันได้อย่างแท้จริงอย่นี้นี่เป็นการกล่าวโดยย่อในเรื่องของการอาศวะที่พึงระได้ด้วยภาวนาก็คือการการทำให้เจริญขึ้นภาวนานี่นะอันนี้ที่จริงในที่นี้ท่านขับเน้นตั้งแต่การตั้งแต่พันสกาทาคามีเป็นต้นไป สรุปตรงนี้ก็คือว่าอาสวะที่พึงละได้โดยโสดาปฏิมาคือการเห็นอาสวะที่ละได้โดยสังวรอาสวะที่ละได้โดยการใช้สอยอาสวะที่พึงละได้โดยการอดกลั้นอาสวะที่พึงละได้โดยการหลีกเลี่ยงและอาสวะที่พึงละได้การบันเทาการไม่ตกและอาสวะที่พึงละได้ด้วยการภาวนาภิกษุใดละได้แล้วเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นผู้สมรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ คือการมราคาสังโยชน์ทำที่สุดแห่งทุกได้แล้ววระมานะโดยชอบพระพุทธเจ้าก็ตรัสพาสิทธ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีจิตใจชื่นชมยินดีในพาสิท์ของพระพุทธเจ้านี่จบสภาสวัสสูตรที่สองเ อ, อ่ออันนี้ก็คือการการพูดตามเนื้อหาของพระสิทธิอาจจะยากนิดนึงนนยากไหมยากนิดนึง เอออาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่านี่แหละเป็นพื้นฐานในการที่เราจะเจริญในพระกรรมาฐานแต่ว่าถึงแม้จะยากแต่เป็นความภาพเพียรในการที่จะเจริญในการที่จะฝึกอบรมต่างๆที่สุดจริงๆก็ไม่ยากนี่ทําความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจ